หน่วยการเรียนรู้ที่3การทดลองใช้บทเรียนออนไลน์การทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขบทเรียนออนไลน์มีจุดมุ่งหมายคือเพื่อตรวจสอบหาข้อบกพร่องของบทเรียนออนไลน์และเพื่อทดสอบประสิท ธ, ธิภาพของบทเรียนออนไลน์แนวคิดในการทดลองใช้และปรับปรุงแก้ไขบทเรียนอนยอนไลน์ที่ถูกต้องและเหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการทดลองใช้แบ่งออกเป็น3แนวคิดดังนี้คือแนวคิดที่1 อีเพ็กแอนวิลเลียมอธิบายการทดลองใช้และประปับปรุงแก้ไขสื่อการสอนและบทเรียนสําเร็จรูปไว้3ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1การทดสอบผิละคนขั้นตอนที่2คือการทดสอบกับกลุ่มเล็กและขั้นตอนที่3การทดสอบภาคสนามจะเป็นการทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชากรเป้าหมายจริงแนวคิที่2องได้อธิบายการทดลองใช้และประปับปรุงแก้ไขสื่อการเรียนการสอนทั่วไปได้3ขั้นตอนดังนี้คือขั้นตอนที่ 1, 1การทดสอบภาคสนามเบือ้องต้น ขั้นตอนที่2การทดสอบภาคสนามครั้งสําคัญและขั้นตอนที่3การทดสอบภาคสนามเชิงปฏิบัติแนวข้อที่3คือมาเยอร์ได้อธิบายไว้ว่าการทดลองใช้และการปรับปรุงแก้ไขชุดฝุดด้วยตนเอง3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1นึ่การพิจารณาจากกลุ่มเพื่อนขั้นตอนที่2การทดลองกลุ่มเล็กขั้นตอนที่3าการทดลองกับชั้นเรียนที่เป็นตัวแทน